วันนี้เป็นวันที่15เมษายนพุทธศักราช2561เป็นวันที่4ของวันหยุดเทศกาลสงกรารเป็นเวลาที่สาธุชนพุทธบริษัทมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆจึงได้ตั้งใจมาวัด เพื่อมาสร้างบุญสร้างกุศลสร้างบารมีเพราะศรัทธาความเชื่อในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนว่าชีวิตของพวกเราจะดีขึ้นหรือจะเลวลงจะเจริญขึ้นหรือจะเสื่อมลงขึ้นอยู่กับการ สร้างบุญสร้างกุศลสร้างบารมีต่างๆถ้าเราหมั่นสร้างบุญสร้างบารมีชีวิตของเราก็จะดีขึ้นไปตามลำดับถ้าเราไม่สร้างบุญสร้างบารมีชีวิตของเราจะตกต่ำลงไปตามลำดับชีวิตของพวกเราในปัจจุบันนี้ที่เราเป็นมนุษย์เหมือนกันแต่มีความแตกต่างกัน เพราะว่าบุญบารมีที่พวกเราได้สร้างกันมาในอดีตนั้นไม่เท่ากันนั่นเองบางคนก็สูงบางคนก็ต่ำบางคนก็รวยบางคนก็จนบางคนก็สวยบางคนก็ไม่สวยบางคนฉลาดบางคนก็ไม่ฉลาดบางคนมีความสุขมากบางคนมีความทุกข์มาก ทำไมจึงมีความแตกต่างกันตามหลักพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เกิดจากการสร้างบุญบารมีที่ต่างกันนั่นเองดังนั้นถ้าเาอยากจะให้ชีวิตของเราดีขึ้นกว่าเดิมเจริญขึ้นกว่าเดิมสวยกว่าเดิมรวยกว่าเดิมฉลาดกว่าเดิมมีความสุขมากกว่าเดิม เราต้องพยายามมาสร้างบุญบารมีกันถ้าเราสร้างบุญบารมีได้มากความสุขความเจริญก็จะมีมากขึ้นไปตามลาดับมีจนไปถึงระดับของพระพุทธเจ้าของพระอรหันตาสาวกเลยพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระอรหันตาสาวกทุกๆกะอง ที่ได้เป็นพระพุทธเจ้าได้เป็นพระอาหารหันตสาวกก็เพราะว่าได้สร้างบุญบารมีกันนั่นเองดังนั้นไม่ต้องลังเลยสงสัยให้มีความมั่นใจได้เลยว่าชีวิตของเรานี้จะดีขึ้นไปตามลำดับทั้งในทางโลกและในทางธรรมจนถึงขั้นสูงสุดคือขั้นของพระนิพพาน ขั้นของพระอาหารหันต์ขั้นของพระพุทธเจ้าขั้นที่มีแต่ความสุขสุดบรล ม, มสุขไม่มีความทุกข์ปราศจากความทุกข์เลยเกิดขึ้นจากการสร้างบุญบารมีต่างๆนี่เองบุญบารมีต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราสร้างกันมีอะไรบ้าง ข้อที่หนึ่งก็คือเมตตาบารมีข้อที่สองคือทานบารมีข้อที่สามคือศีลบารมีข้อที่สี่คือเนคขมมะบารมีข้อที่ห้าคืออุเบกขาบารมีและข้อที่หกคือปัญญาบารมีบารมีเหล่านี้แหละที่จะทําให้ชีวิตของเราจเจริญขึ้นไป มีความสุขมากขึ้นไปตามลำดับและการที่จะสร้างบารมีเหล่านี้ได้เราก็ต้องมีอธิฐานบารมีมีวิริยะบารมีมีสัจจะบารมีมีขันติบารมีถึงจะสามารถสร้างบารมีต่างๆได้ก่อนที่เราจะสร้าง เมตตาบารมีได้สิ่งแรกที่เราต้องสร้างก่อนก็คืออธิษฐานบารมีอธิษฐานบารมีแปลว่าอะไรอธิษฐานนี้ตามความหมายทางหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าแปลว่าความความตั้งใจการตั้งเป้าหมายของชีวิตไม่ได้หมายถึงอธิษฐานที่เราเข้าใจกัน อธิษฐานที่เราเข้าใจคือนคือการขอตั้งจิตอธิษฐานขอให้ได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อันนี้ไม่ใช่อธิษฐานบารมีอธิษฐานบารมีนี้ไม่ขอเพราะขอนี้ไม่แน่นอนขอบางทีอาจจะได้บางทีอาจจะไม่ได้เหมือนขอทานนั่งขอทานบางทีก็มีคนใส่เงินให้บางคนก็ไม่มี บางทีก็ไม่มีคนใส่เงินให้แต่ถ้าอธิษฐานบารมีตั้งใจแล้วตั้งใจแล้วจะทำอะไรจะต้องได้อย่างแน่นอนถ้ามีความตั้งใจที่จะทำดังนั้นถ้าเราจะตั้งอธิษฐานเราต้องมาตั้งด้วยการตั้งใจว่าต่อไปนี้จะสร้างบารมีต่างๆเช่นเมตตาบารมี ทานบารมีศีลบาลมีเป็นต้นเราต้องมีความตั้งใจก่อนเหมือนกับวันนี้ญาติโยมจะมาที่นี่ได้ก็ต้องมีความตั้งใจก่อนตั้งใจว่าวันนี้เป็นวันหยุดทำงานจะไปวัดเพื่อไปทําบุญสร้างทานบารมีสร้างศีลบารมีสร้างปัญญาบารมีอันนี้คือสิ่งที่ต้องมีขึ้นมาก่อนคือความตั้งใจ ดังน้นพยายามมีความตั้งใจที่จะสร้างบุญบารมีพอเรามีความตั้งใจแล้วเราก็ต้องมีสัจจะต่อความตั้งใจของเราสัจจะก็แปลว่าความจริงใจไม่โกหกหลอกลวงตนเองบางคนชอบตั้งใจว่าจะทำนุ่นจะทำนี่จะเป็นคนดีจะไม่ดื่มสุราจะไม่เที่ยวเตะ แต่ตั้งไปแล้วมักจะล้มเพราะว่าไม่มีสัจจะบาลมีพอตั้งไปแล้วถึงเวลาอยากจะดื่มสุราก็ลืมไปว่าได้ตั้งใจว่าจะไม่ดื่มสุราก็ไปดื่มสุราอย่างนี้เรียกว่าไม่มีสัจจะถ้ามีสัจจะคือความจริงใจแน่วแน่ต่อความตั้งใจ ก็จะต้องทำตามที่ได้ตั้งสัตได้ตั้งอธิษฐานเอาไว้อธิษฐานว่าจะไม่เดือมสุลาก็จะไม่เดื่มสุลาโดยเด็ดขาดเด็ดขาดถ้ายังไม่มีความมั่นใจว่าจะไม่เดื่มสุลาได้ก็อย่าไปตั้งดีกว่าตั้งไปแล้วก็ไม่ได้ทำตามที่ตั้งก็จะล้มเหลวไปแล้วต่อไปความตั้งใจก็จะไม่มีความหมายอะไร ตั้งใจแล้วก็ไม่ได้ทำตามที่ตั้งใจก็เหมือนกับไม่ได้ตั้งใจการตั้งใจนี้เพื่อเป็นการบังคับใจเพราะว่าถ้าเราไม่ตั้งใจเราก็โจะ โ, โลเลไปได้อยากจะทำอะไรเราก็ทำได้ดีหรือไม่ดีเราก็ทำได้แต่ถ้าเราตั้งใจแล้วว่าจะทำอย่างใดอย่างหนึ่งหรือไม่ทำดังใดอย่างหนึ่ง เราก็จะโลเลไม่ได้ขอเราจะสุขจะเจริญได้ต้องขึ้นอยู่กับการสร้างบุญบารมีถ้าเราอยากจะสุขอยากจะเจริญเหมือนกับพระพุทธเจ้าเหมือนกับพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายเราก็ต้องมีความตั้งใจที่จะสร้างบุญสร้างบารมีขึ้นมาถ้าเราไม่ตั้งใจเราก็จะไม่รู้ว่าเราจะทำอะไรกัน เล่นอยู่5วันนี้ถ้าไม่มีความตั้งใจก็จะไม่รู้ว่าจะไปทำอะไรดีก็อาจจะต้องรอให้เกิดอารมณ์ขึ้นมาก่อนถ้ามีอารมณ์อยากจะไปเที่ยวก็ไปเที่ย ว, ยวมีอารมณ์อยากจะไปช้อปปิ้งก็ไปช้อปปิง้งมีอารมณ์อยากจะไปวัดก็ไปวัดแต่ไม่ได้ไปด้วยความตั้งใจไปด้วยอารมณ์ซึ่งอารมณ์นี้มันไม่แน่นอน มันขึ้นๆลงๆบางทีก็อารมณ์ดีบางทีก็อารมณ์ไม่ดีอารมณ์ดีก็คิดจะทำสิ่งที่ดีอารมณ์ไม่ดีก็จะคิดจะทำในสิ่งที่ไม่ดีแต่ถ้าเรามีสัตมีอธิษฐานมีสัจจะมีความตั้งใจว่าต่อไปนี้จะทำแต่สิ่งที่ดีสิ่งที่ไม่ดีจะไม่ทำนี่คือการตั้งกรอบ บังคับใจของเราถ้าเราไม่ตั้งใจใจของเราก็จะเถหล่ไลทํ า, าทำอะไรตามอารมณ์ได้ถ้าปล่อยให้ใจทำอะไรตามอารมณ์ชีวิตของเราก็จะขึ้นขึ้นลงลงบางทีก็ขึ้นบางทีก็ลงแล้วแต่อารมณ์พาไปแต่ถ้าเรามีความตั้งใจจะทาแต่บุญบารมี ชีวิตของเราก็จะมีแต่ขึ้นไปอย่างเดียวเพราะบุญบารมีนี้จะส่งให้ชีวิตเราสูงขึ้นจเจริญขึ้นมีความสุขมากขึ้นนั้นเองดังนั้นเราต้องฝึกนิสัยให้มีอธิษฐานบารมีคือให้เราตั้งใจทำสิ่งที่ดีที่งามเช่นสร้างบุญบารมีต่างๆ อันนี้เป็นข้อที่หนึ่งถ้าเราไม่ตั้งใจว่าเราจะสร้างบุญบารมีเราก็อาจจะสร้างก็ได้ไม่สร้างก็ได้แต่ถ้าเราตั้งใจว่าจะต้องสร้างบุญบารมีถึงเวลาก็ต้องทำให้ได้ถึงเวลาที่จะต้องสร้างก็ต้องสร้างให้ได้เราจะสร้างได้ไม่ได้ก็ขึ้นอยู่ที่ว่ามีสัจจะหรือเปล่ามีความ จริงใจต่อความตั้งใจหรือเปล่าบางทีตั้งใจแล้วว่าจะสร้างบุญบรารมีเช่นหยุดห้าวันนี้จะไปอยู่วัดปฏิบัติธรรมแต่พอถึงวันจะหยุดจริงๆมีเพื่อนให้ตั๋วไปเที่ยว<อ>เพื่อนคนหนึ่งไม่สบายจะไปเที่ยวแต่ไม่สบายไปไม่ได้ก็เลยให้ตั๋วให้เราไปเที่ยว ีนี้ถ้าเราตั้งใจแล้วว่าเราจะมาวัดแต่มีเพื่อนเขาให้ตั๋วเราไปเที่ยวตั๋วเครื่องบินไปเที่ยวต่างประเทศเพราะตัวเพื่อนเขาไม่สบายไปไม่ได้ทีนี้เราก็ต้องคิดหนักแล้วว่าเราจะเอาอะไรดีเราจะเอาบุญบารมีหรือเราจะเอาไปเที่ยวกันถ้าเรามีความตั้งใจเราก็ต้องบอกว่าเราตั้งใจไปวัดแล้ว เราไม่เปลี่ยนใจถ้าเรามีสัจจะเราก็จะไม่เปลี่ยนใจแต่ถ้าเรายังเป็นคนที่ไม่มีสัจจะอยู่เราก็ยังเป็นคนโลเลอยู่พอมีอะไรมาก็อาจจะเปลี่ยนความตั้งใจได้ดังนั้นถ้าตั้งใจแล้วยังไม่มีสัจจะก็ยังไม่หมายความว่าจะสามารถทําตามที่ตั้งใจไว้ได้ จะทำได้ก็ต้องมีสัจจะถ้ามีสัจจะแล้วหัวเด็ดตีนขาดก็จะไม่มีวันเปลี่ยนใจตั้งใจจะมาห้าวัดห้าวันก็ไม่มีวันเปลี่ยนใจจะมีใครให้เงินทองมากี่ร้อยล้านให้ไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ก็จะไม่ไปอันนี้ถ้าไม่มีสัจจะแล้วไม่แน่ถ้ามีอะไรดีกว่ามาชวนให้ไปทำอะไรที่ชอบมากกว่า ก็อาจจะเปลี่ยนใจได้ถึงแม้จะมีความตั้งใจจะมาวัดตั้งใจไว้เป็นเดือนเลยตั้งแต่ตั้งแต่ต้นเดือนรู้แล้วว่าเดือนนี้จะมาอยู่ห้าวันก็ตั้งใจจะไปอยู่วัดจองที่พักจองอะไรกัเรียบร้อยแล้วแต่พอมาถึงวันใกล้จะไปมีคนเอาของมาล่อเอาตั๋วเครื่องบินมาให้ให้ไปเที่ยวต่างประเทศห้าวันแทน อันนี้ถ้าไม่มีสัจจะก็อาจจะล้มเหลวความตั้งใจที่จะตั้งใจมาวัดก็อาจจะล้มเหลวก็อาจจะคิดว่าไว้วัหนหลังก็ได้มาวัดเมื่อไหร่ก็มาได้แต่ไปต่างประเทศนี้มันนา น, านๆจะมีโอกาสอย่างนี้สักครั้งหนึ่งอันนี้ก็เป็นลักษณะของการไม่มีสัจจะถ้ามีสัจจะก็จะคิดว่าไม่เอาให้ไปเที่ยวถึงแม้จะสนุกอย่างไร ก็สู้มาสร้างบุญบารมีไม่ได้บุญความสุขจากได้จากการไปเที่ยวมันชั่วประเดียวประดาได้แล้วมันก็หมดไปแต่บุญบารมีนี้ถ้าได้แล้วมันจะอยู่กับเราไปนานจะเป็นที่พึ่งของเราได้ต่อไปนี่คือบารมีที่เราต้องมีในใจเราก่อนที่เราจะสร้างบารมีต่างๆได้ เราต้องมีอธิษฐานบารมีมีความตั้งใจมีสัจจะความจริงใจจะทำให้ความตั้งใจของเรานี้แน่วแน่มั่นคงไม่มีวันเปลี่ยนแปลงเนี่ยเหตุที่พระพุทธเจ้าทรงตัดสูุ้ภายใต้โคนต้นโพได้ก็เพราะอธิษฐานบารมีนี้เองพระพุทธเจ้าบอกว่าจะนั่งอยู่ใต้โคนต้นโพนี้ไป จนกว่าจะตัดสรู้จนกว่าจะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงถ้ายัางไม่หลุดพ้นจากความทุกข์จะไม่ลุกจากที่นั่งอันนี้ไปโดยเด็ดขาดถึงแม้ว่าเลือดในร่างกายจะเหือดแห้งไปก็ปล่อยให้มันแห้งไปแต่จะไม่ลุกจาก ท, ที่นี่ไปโดยเด็ดขาดนอกจากว่าได้หลุดพ้นจากความทุกข์แล้วนี่แหละ พระพุทธเจ้าต้องนั่งทนทุกข์ทรมานกว่าจะที่กว่าจะพบกับปัญญาที่จะทำให้ความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในพระทัยของพระองค์นั้นหมดสิ้นไปได้ถ้าไม่มีอธิษฐานสัจจะไม่มีสัจจะอธิษฐานแล้วจะล้มเหลวพะนั่งปั๊บหนึ่งพอเจ็บก็อยากจะลุกขึ้นมาแล้ว น, นี่คือ เรื่องของการสร้างบารมีต้องมีอธิษฐานบารมีก่อนแล้วก็มีสัจจะบารมีพอมีอธิษฐานแล้วมีสัจจะแล้วก็ต้องมีวิริยะบารมีความพยายามเมื่อเราตั้งใจจะทำอะไรเราก็ต้องมีความพยายามทําในสิ่งที่เราตั้งใจเอาไว้เช่นตั้งใจจะมาวัดพอถึงเวลาเราก็ต้องออกเดินทางมาจะขี้เกียจไม่ได้ พอถึงวันออกจะมาวัดอาจจะบอกว่า เ, เหนื่อยไม่อยากจะไปอันนี้ถ้ามีวิริยะบารมีก็จะสามารถที่จะสู้กับความคิดอันนี้ได้คือมีความเพียรพยายามต้องสอนตอนเองว่าความสําเร็จอยู่ที่ความพยายามความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นถ้าตั้งใจจะทําอะไรแล้วพอถึงเวลา ต้องทำให้ได้จะทำได้ไม่ได้ก็อยู่ที่มีความพยายามหรือไม่ถ้ามีความเกียจค้านก็อาจจะทำไม่ได้นี่คือข้อที่สามต้องมีความพยายามเรียกว่าวิริยะบาะมีแล้วก็ยังต้องมีข้อที่สี่มาช่วยอีกอันหนึ่งคือขันติบารมีแปล ว, ว่าความอดทนเวลาเราที่จะทำบุญบารมีนี้ บางทีอาจจะมีอุปสรรคต่างๆมาขวางกัน้นถ้าเราไม่มีความอดทนอดกัน้นอดทนต่อสู้เราก็อาจจะสู้ไม่ได้เช่นไปอยู่วัดก็อาจจะไปอยู่แบบไม่สบายเหมือนอยู่ที่บ้านที่บ้านมีทุกอย่างพร้อมมีน้ำมีไฟมีตู้เย็นมีอะไรพร้อมเพรียง แต่ไปอยู่วัดนี้จะไม่มีสิ่งเหล่านี้เพราะทางวัดไม่ต้องการให้ เ, เกี่ยวข้องกับความสุขความสะดวกทางร่างกายต้องการให้มาสร้างความสุขความสบายทางจิตใจจะสร้างความสุขความสบายทางจิตใจได้ก็ต้องลดความสุขทางร่างกายลงไปให้พออยู่ได้ก็พอ เช่นให้กินอาหารไม่เกินเที่ยงวันไปแล้วไม่ให้กินตามความอยากความต้องการถ้าอยู่บ้านนี้อยากจะรับประทานอาหารกี่ครั้งก็รับประทานได้แต่พอไปอยู่วัดไปปฏิบัติธรรมนี้ต้องรับประทานมื้อเดียวบ้างหรือรับประทานสองมื้อเป็นอย่างมากหลังจากเที่ยงวันแล้วก็ไม่ให้รับประทานอาหารอีกอันนี้ถ้าไม่มีความอดทนะ ก็อาจจะทำไม่ได้นี่คือสิ่งที่เราต้องสร้างขึ้นมาในใจให้ได้ก่อนที่เราจะไปสร้างบา ร, รมีต่างๆเราต้องมีความตั้งใจที่แน่วแน่เรียกว่าสัจจะอธิษฐานถ้าไม่มั่นใจอย่าไปตั้งใจถ้าถ้าตั้งใจแล้วต้องมีความมั่นใจโหเด็กตีนขาดต้องทำให้ได้ ยกเว้นในกรณีที่สุดวิสัยเจ็บไข้ได้ป่วยเท่านั้นถึงจะไม่สามารถที่จะทำตามความตั้งใจได้ถ้าเรามีความตั้งใจที่แน่วแน่แล้วเราต้องการจะทำอะไรเราก็จะทำได้สำเร็จรูดร่วงไปแต่ถ้าเราเป็นคนที่ไม่มีความตั้งใจที่แน่วแน่ตั้งไปแล้วก็ล้มพอไปเจออุปสรรค พ, พอต้องมีความเพียรพยายามก็ สู้ความเกียดข้านไม่ได้ก็จะไม่สามารถสร้างบุญสร้างบรารมีได้ผู้ที่สร้างบุญบรารมีต่างๆจริงต้องมีความตั้งใจที่แน่วแน่มีความภาคเพียรพยายามาที่แก่กลาและมีความอดทนเข้มแข็งไม่อ่อนปวกเปียกนี่คือสิ่งที่เราจะต้องมีในตัวของเรา ก่อนที่เราจะไปสร้างบารมีต่างๆได้บารมีข้อแรกที่พระพุทธเจ้าให้เราสร้างกันก็คือเมตาามเมตาบารมีเมตตาบารมีนี้เป็นต้นของบารมีทั้งหลายก่อนจะสร้างบารมีอย่างอื่นได้ต้องมีเมตตาบารมีก่อนเมตตาบารมีคืออะไร <c oughs> คือความปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์ทั้งปวงสัพเพสัตส ต, ตา ไม่ว่าจะเป life, a, ็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นเดรัจฉานเราจะมีความเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งปวงความเมตตานี้มีอะไรบ้างก็ตามที่เราสวดกันก็ข้อที่หนึ่งอเวราโหตุการไม่จองเวรจองกรรมกันคือการให้อภัยกันอับยาปชาโหตุการไม่เบียดเบียนกัน อนีคาโหตุความช่วยเหลือให้ยุดให้พ้นจากความทุกข์กายทุกข์ใจกันคืออยากไม่ไม่ไปสร้างความทุกข์กายทุกข์ใจให้แก่ผู้อื่นและสุ ข, ขีอัตนานปะริหารันตุให้ความสุขแก่ผู้อื่นนี่คือเรื่องของการมีความเมตตาเราต้องมีคุณเราต้องกระทำสี่ประการนี้ เวลาที่เราสวดแผ่เมตตานี้ไม่ได้เป็นการแผ่เมตตา <c oughs> การแผ่เมตตานี้ต้องแผ่ด้วยการกระทำ <c oughs> เวลาเรานั่งไหว้พระสวดมนต์แล้ว ส, สวดมนต์เสร็จเราก็สวดบทแผ่เม ต, เตตาสเพสตาอเวราโหรตุอันนี้ไม่ได้เป็นการแผ่เมตตาเป็นการสวดเป็นการสอน เป็นการเตือนใจให้รู้ว่าเวลาจะแผ่เมตตาต้องแผ่อย่างไรงั้นเวลาเราสวดเราต้องแปลความหมายของบทสวดถ้าเราไม่แปลเราจะไม่รู้ความหมายสเปเัพตาอเวราโหนตุแปลว่าอะไรเราต้องรู้ว่า อ, อเวราแปลว่าไม่จองเวรจองกรรมกันใครเขาทำอะไรให้เราเสียใจเดือดร้อน เราจะไม่จองเวรจองกรรมเราจะให้อภัยการให้อภัยนี้แหละคือการแผ่เมตตาจะต้องแผ่ตอนที่เกิดเหตุการ์ขึ้นมาเช่นเวลาเราไปเจอเหตุการ์มีคนเขาทำอะไรให้เราเสียหายเช่นช่วงนี้มีการสาดน้าเราบางทีจะไปทำธุระเราไม่ได้ตั้งใจจะไปเล่นน้ำกับเขา แต่เขาเห็นเราผ่านมาเขาก็เอาน้าสาดใส่เราถ้าเราไม่มีเอาเวลาโหนตุเราก็จะโกรธเขาได้โกรธเขาโมโหโเขาแล้วจะคิดทำร้ายเขาได้แทนที่จะแผ่มเมตตากกับการแผ่ความโหดร้ายให้กับเขาแต่ถ้าเรามีเมตตาจริงเราจะต้องเอาเวลาโหนตุไม่จองเวรจองกรรมกันคือให้อภัยกัน เราอยากจะให้เราเปียกเปรียกก็เปียกว่าไหนๆมันก็เปียกแล้วเปียกแล้วไปโกรธมันก็ไม่ทำให้อะไรดีขึ้นมากลับจะทำให้ทุกอย่างเร็วลงไปโกรธเขาไปด่าเขาไปว่าเขาหรือไปตีเขาเดี๋ยวเขาก็โกรธเราตอบมาว่าเราตีเราอีกอ น, นี่คือการแผ่เมตตาต้องแผ่ด้วยการกระทําไม่ได้แผ่ด้วยการสวด การส่วนนี้ยังไม่ได้แผ่อะไรให้กับใครต้องแผ่ตอนที่เราพบปะกับบุคคลที่ทําให้เราโกรธแล้วเราก็ไม่โกรธเขาด้วยการให้อภัยเขาถ้าเราให้อภัยได้ไม่จองเวรจองกรรมได้ความโกรธก็จะระงับไปใจของเราก็จะสงบมีความสุขได้ถ้าเราให้อภัยไม่ได้ใจของเราจะร้อนจะทุกข์จะกินไม่ได้นอนไม่หลับ นี่คือการแผ่เมตตาด้วยการไม่จองเวรจองกรรมกันอนันดกาโหนตุก็คือการไม่ทํา อ, อบปปายาปชาโหนตุก็คือการไม่เบียดเบียนกันไม่ไปเบียดเบียนให้ผู้อื่นเข า, าเสียหายเดือดร้อนเช่นจะสตา์น้ําเราก็ต้องระมัดระวังดูว่าคนที่เข้ามานี้เขาจะสาดให้สาดหรือไม่ให้สาดถ้าไม่ให้สาดก็อย่าไปสาด อย่าไปเบียดเบียนกันอย่าไปรังแกกันพูดง่ายๆอย่าไปสร้างความเสียหายเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นผู้อื่นเขาทร้างความเสียหายเดือดร้อนให้กับเราเราก็ต้องให้กับภัยกับเขาไปแต่เราจะไม่ไปสร้างความเสียหายเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นทางกายทางวาจาหรือทางใจอันนี้ก็เป็นกานแผ่เมตตาแผ่เมตตาแบบที่สามก็คือ อย่าไปทำร้ายร่างกายเขาอย่าไปทํรลายจิตใจเขาอย่าไปทำอะไรให้เขาเจ็บทางร่างกายหรือเจ็บทางจิตใจอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการแผ่เมตตาการแผ่เมตตาวิธีที่สี่ก็คือให้ความสุขกับเขาเช่นเรามีข้าวของเงินทองเราแบ่งให้เขาบ้างไปเที่ยวกันนี่กลับมาเรามักจะซื้อของฝากกัน เวลาพบปะก็เอาของมาฝากอย่างนี้เรียกว่าเป็นการแผ่เมตตาเป็นการให้ความสุขกับเขาเพราะเวลาเราให้ของเขาให้เงินเขาเขาจะมีความสุขนนี่คือการแผ่เมตตาการสร้างเมตตาบารมีถ้าเราทำได้ต้องทำตอนที่เราเจอกันไม่ใช่ทําตอนที่เราอยู่คนเดียวตอนนั้นไม่ได้ทำอะไร เพียงแต่คิดเพียงแต่สวดเพียงแต่เตือนใจสอนใจให้รู้จักวิธีแผ่เมตตาทั้งสี่วิธีเท่านั้นเองแต่ยังไม่ได้แผ่เมตตาประโยชน์ที่จะเกิดจากการแผ่เมตตายังไม่มีปรากฏประโยชน์จากการแผ่เมตตาจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราได้กระทำแล้วได้ให้อภัยกับผู้ที่เขาทำให้เราโกรธได้ระ ง, งับการที่จะไปเบียดเบียนเขา ระ ง, งับการที่จะไปทำลายจิตใจทำลายจิตใจและทำร้ายร่างกายของผู้อื่นแล้วก็ให้ความสุขแก่ผู้อื่นด้วยการแบ่งปันข้าวของเงินทองสิ่งของต่างๆถ้าเราทำแล้วอา น, นิสงส์จะเกิดขึ้นอรทธเจา้าผู้แผ่เมตตาผู้มีความเมตตานี้จะอยู่เป็นสุขห<ม>ลับก็เป็นสุขเืินก็เป็นสุขนอนหลับก็จะไม่ฝันร้าย จะฝันดีจะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายเทวดาจะคุ้มครองรักษาจะไม่ตายด้วยอาวุธหรือยาพิษจะมีผิวหน้าสีหน้าผ่องใสเวลาทำจิตให้สงบก็จะสงบได้ง่ายแล้วเวลาตายไป ก็จะไปสู่สุขตินี่คือประโยชน์ของการเจริญเมตตา บ, บารมีจะทำให้เรามีเพื่อนฝูงมากมีคนรักมากไ่กกอยู่ที่ไหนก็จะมีแต่คนรักเรามีแต่คนคอยคุ้มครองดูแลรักษาเราจะไม่มีใครคิดทำ้ายเราอันนี้คือบารมีข้อที่หนึ่งที่เรา ควรพยายามทํากันทุกวันทุกเวลาเพราะถ้าเราเจอกับคนพบปะกับมนุษย์หรือสัตว์แล้วเราต้องแผ่เมตตาทันทีอย่าไปทําให้เขาโกรธเราให้ได้อย่าไปสร้างความเสียหายให้กับเขาพยายามทําแต่คุณทาแต่ประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นนี่คือเรียกว่าการแผ่เมตตาแผ่เราจะทําให้ จิตใจของเรามีความสุขมากขึ้นสูงขึ้นตายไปก็จะได้ไปสู่พรหมโลกได้ไม่ต้องกลับมาเกิดยังไปพรหมโลกก่อนก่อนที่จะมาเป็นมนุษย์ใหม่ก็แวไปพรหมโลกก่อนอนี่คือเมตตาบารมีถ้าเราแผ่เมตตาบารมีได้แล้วการที่จะสร้างบารมีข้อที่สองนี้ก็จะง่าย คือทานบารมีทานบารมีก็คือการให้สิ่งต่างๆที่เรามีมากเกินกว่าที่เราจําเป็นจะต้องมี mm hmm. เก็บไว้ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรกับเรา mm hmm. ก็เอาไปแจกจ่ายช่วยเหลือผู้อื่นดีกว่าให้ผู้อื่นเขาได้มีความสุขบ้าง mm hmm. มีเงินทองก็เอาไปทําบุญทําทานจะทําแบบไหนก็ได้ บุญการทำบุญนี้เราเลือกทำแบบที่เราชอบได้บางคนชอบทำกับพระก็ไปทำกับพระบางคนชอบทำกับนกกับปลาก็ไปทำกับนกกับปลาบางคนชอบทำกับสุนัขกับแมวก็ไปทำกับสุนัขกับแมวบางคนชอบทำกับวัวควายไปถ่ายโคถ่ายควายถ่ายชีวิตของเขาทำได้ทุกรูปแบบ ทำเพื่อให้คนอื่นเขามีความสุขเรียกว่าเป็นการทำทานทำทานด้วยข้าวของเงินทองเรียกว่าวัตถุทานถ้าเราเป็นคนยากจนไม่มีข้าวของเงินทองที่จะทำทานได้เรายังสามารถทำทานในลักษณะอื่นได้เช่นเรามีความรู้เราให้ความรู้แก่ผู้อื่นเช่นเราเป็นคนทำกับข้าวเก่ง ถ้าคนเขาอยากจะเรียนวิธีทำกับข้าวว่าทำอย่างไรเราก็สอนเขาไปโดยที่ไม่เก็บเงินเก็บทองไม่คิดค่าไม่ไม่คิดคด่าสอนอย่างนี้เรียกว่าวิทยาทาน<ม>ให้ความรู้ทำให้วิชาทำกับข้าวกับปลาไปหรือให้วิชาเย็บผ้าไปให้วิชาเขียนภาพไปให้วิชาแต่งกรอนไปเรามีความสามารถอย่างใด ถ้ามีคนเขาอยากจะเรียนจากเราเราให้เขาไปโดยที่เราไม่คิดเงินคิดทองอย่างนี้เราก็ได้ทำทานบารมีนอกจากวิชาวิทยาธ า, า, านแ ล, แล้วเรายังมีธรรมทานอีกธรรมทานก็คือเอาธรรมะของพระพุทธเจ้านี้ไปให้คนอื่นเช่นเราไปวัดเราได้หนังสือธรรมะมา เราอ่านจบแล้วเห็นว่านังสือนี้มีคุณประโยชน์เราเก็บไว้เราก็ไม่ได้อ่านอีกไม่จำเป็นจะต้องอ่านเราก็เอาไปให้คนอื่นต่ออย่างนี้ก็เรียกว่าได้ทําทานด้วยธรรมะแจกธรรมะให้แก่ผู้อื่นหรือเราไปช่วยการเผยแผ่ธรรมะอย่างญาติโยมบางคนที่มาช่วยเผยแพ่ธรรมะที่สารานี้มาช่วยจัดการ เรื่องการถ่ายทอดสด <Yeah. S 2> ช่วยสนับสนุนทางเครื่องไม้ <Yeah. S 2> เครื่องมือต่างๆโทรศัพท์มือถือเอ่ย uh huh. สัญญาณโทรศัพท์เอ uh ่ย huh. เครื่องขยายเสียงเอ่ยหรือเอาเวลามาช่วยประกาศ uh huh. อ, อ่านคำถาม uh huh. คอยคอยดูการถ่ายทอดสด ไม่ให้ขาดตอนไม่ให้สะดุดมีปัญหาก็ช่วยกันแก้ไขอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นธรรมทาน เ, ออเพราะว่าสิ่งที่เรากำลังทานี้เป็นธรรมะผู้ที่ได้ได้รับประโยชน์ก็คือจะได้รับฟังธรรมจากพวกเราที่เขาอาจจะมาไม่ได้เพราะการเผยแผ่ธรรมเดี๋ยวนี้ไปอย่างกว้างไกลเท่าที่ เราได้จดกันไว้ต่างประเทศก็มีถึงสี่สิบกว่าประเทศในในประเทศไทยก็มีตั้งหกสิบกว่าจังหวัดที่มีผู้ติดตามถ่ายทอดสดฟังเทศฟังธรรมกันอยู่อย่างต่อเนื่องทุกวันการที่ได้มาช่วยเหลือกันให้มีการถ่ายทอดธรรมะเหล่านี้ไปแก่ผู้ที่อยู่ไกลได้ก็เรียกว่าเป็นการทำธรรมทาน นี่คือเป็นการสร้างบารมีที่เรียกว่าทานบารมีการสร้างทานบารมีนี้จะทำให้เราได้สิ่งที่เราให้ไปถ้าเราให้เงินทองไปเงินทองนี้ก็จะเป็นเหมือนเงินทองที่เราไปฝากไว้ในธนาคารเวลาเราตายไปแล้วกลับมาเกิดใหม่เราจะมีเงินทองรอเราอยู่ เราจะรวยกว่าเก่าเราเราจะไม่ยากจนเราจะไม่กลับมายากจนกว่าเก่าเราจะมารวยกว่าเก่าเพราะเงินทองที่เราทำด้วยทานบา ร, รมีนี้จะเหมือนกับเงินที่ฝากไว้ในธนาคาระจะมีการออกดอกออกผลอพอเรากลับมาเกิดชาติหน้าเราก็จะกลับมาเกิดในฐานะที่ดีกว่าเดิมและในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ ทานบา ร, รมีนี้ก็จะให้เรามีความสุขใจอิ่มใจมีความสุขใจสบายใจไม่หิวโหยไม่มีความอยาก<อ>เหมือนกับการที่เราไปเที่ยวกันไปเที่ยวแล้วมันจะทำให้เกิดความอยากเที่ยวตามมาพอกลับมาจากไปเที่ยวความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวก็หายไปปล่อยให้เรารู้สึกเหงาเหมือนเดิมอยู่บ้านเหงาเหมือนเดิม ก็อยากจะออกไปเที่ยวใหม่แต่ถ้าเรามาทําบุญทําทานแล้วกลับไปบ้านนี้เราจะไม่รู้ไม่มีความรู้สึกเหงาไม่มีความรู้สึกว่าอยากจะไปเที่ยวที่นั่นที่นี่เพราะการทําบุญทาทานนี้ทำให้เรามีความอิ่มใจสุขใจจะทำให้เราไม่หิวไม่อยากไปที่นั่นไปที่นี่อนี่คือทานบรารมีทาให้เรา ขณะที่มอยู่ก็มีความสุขแล้วเวลาตายไปเราก็จะมีสเบียงติดตัวไปมีทรัพย์ภายในติดตัวไปคือบุญที่เกิดจากการทําทานนี้เป็นเหมือนเงินตราต่างประเทศที่เราจะเอาติดตัวไปเวลาที่เราไปเที่ยวต่างประเทศเวลาเราไปต่างประเทศนี้เรารู้ว่าเราเอาเงินไทยไปไม่ได้เอาเงินไทยไปใช้ที่ญี่ปุ่นไม่ได้ใช้ที่เกาหลีไม่ได้ เราต้องเปลี่ยนเงินไทยให้เป็นเงินเกาหลีเป็นเงินญี่ปุ่นก่อนฉะนันใดเวลาที่ร่างกายเราตายไปเราก็จะต้องไปอยู่ในโลกทิพย์และเงินทองที่จะใช้ในโลกทิพย์นี้ก็คือบุญนี้เองถ้าเราไม่มีบุญติดไปเราก็จะกลายเป็นขอทานทางจิตวิญญาณไปเราจะเป็นขอทานในโลกทิพย์เนี่ยผู้ที่เรา อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้นี้ก็คือพวกที่เป็นขอทานนั่นเองเพราะขณะที่เขามีชีวิตอยู่เขาไม่ได้ทำบุญทำทานกันพอตายไปเขาก็เลยไม่มีบุญติดตัวไปก็เลยต้องมาขอบุญจากผู้ที่มีชีวิตอยู่ยพวกเราเวลาทำบุญเราจึงกรวดน้าอุทิศบุญที่เราทำกันไปก็ให้พวกที่ไม่มีบุญติดตัวไปนี่เอง แต่พวกที่มีบุญติดตัวไปเขาก็ไม่ต้องมารอรับส่วนบุญของพวกเราเพราะเขามีบุญที่จะพาให้เขาไปเที่ยวได้อย่างสบายมีเงินจ่ายค่าอาหารค่าที่อยู่อาศัยค่าอะไรต่างๆในโลกเทปโลกเทพก็เหมือนกับโลกนี้ต่างกันตรงที่ไม่ต้องมีร่างกายเท่านั้นเองแต่เรื่องของการหาความสุขก็เหมือนกัน โลกทิพก็เหมือนกับโลกที่เราไปในขณะที่เรานอนหลับเนี่ยเวลาที่เรานอนหลับเราไปอย่างไรแล้วก็เราก็ไปด้วยความฝันนี่เองพอเรานอนหลับเราก็ฝันว่าไปเที่ยวที่นั่นไปเที่ยวที่นี่ไปพบกับสิ่งนั้นสิ่งนี้ถ้าพบกับสิ่งที่ดีก็เรียกว่าฝันดีก็เป็นเรื่องของบุญถ้าไปถ้าไป เจอแต่เรื่องที่ไม่ดีก็เรียกว่าบาปเป็นเรื่องผลของบาปฝันร้ายอันนี้แหละเป็นเรื่องของโลกทิพย์เป็นอย่างนี้เป็นโลกทิพย์นี้เป็นโลกของความฝันโลกของจิตที่ไม่มีร่างกายจิตก็ฝันไปคิดไปตามบุญตามบาปที่ได้ทำเอาไว้ถ้าได้ทำบุญทำความดีก็จะฝันแต่เรื่องที่ดีถ้าทาแต่บาปก็จะฝันเรื่องที่ไม่ดี อันนี้คือเรื่องของทานบารมีทำแล้วจะทำให้ใจของเรามีความสุขตายไปก็ไปเป็นเทวดากันแล้วก็กลับมาเกิดใหม่ก็จะรวยกว่าเก่าดีกว่าเก่านี่คือข้อบารมีข้อที่สองจากพอเรามีเมตตาบาลมีแล้วเราก็จะทำทานบาลมีได้แล้วข้อที่สามก็จะทำได้เช่นเดียวกันศีลบารมี ศีลก็คือการไม่ทำบาปการทำบาปก็คืออะไรก็คือการไปเบียดเบียนกันนั่นเองไปฆ่ากันก็เบียดเบียนกันไปลักทรัพย์ของผู้อื่นก็เรียกว่าเบียดเบียนไปประพฤติผิดประเวณีไปแย่งสามีภรรยาของผู้อื่นก็เรียกว่าเป็นการเบียดเบียนไปโกหกหลอกลวงก็เป็นการเบียดเบียนเดิมโซลายาเมาแล้วก็ไป อาลวาดไปสร้างความเสียหายเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นก็เป็นการเบียดเบียนฉะนั้นผู้ที่มีเมตตาบา ร, รมีผู้ที่ทาทานบา ร, รมีแล้วจะไม่ชอบทำบาปเมื่อไม่ชอบทำบาปก็จะสร้างศีลบา ร, รมีขึ้นมาได้อย่างง่ายดายจะรักษาศีลห้าได้อย่างสบายไม่ยุ่งยากไม่ลำบากไม่เหมือนกับผู้ที่ไม่มีเมตตาบา ร, รมีผู้ที่ไม่มีทานบา ร, รมี ผู้ที่ไม่มีเมตตาบารมีนี้ใจจะโหดร้ายผู้ที่ไม่มีทานบารมีนี้ใจจะเห็นแก่ตัวก็ <c oughs> จะไม่จะรักษาศีลยากเพราะอยากจะทำอะไรตามใจตัวเองอยากจะได้อะไรมากๆง่ายๆเร็วๆการที่จะได้อะไรง่ายๆมากๆเร็วๆก็มักจะต้องไปทำบาปกันนั่นเองแต่ผู้ที่มีเมตตาบารมีมีทานบารมีนี้จะไม่มีความอยากได้อะไรแบบ ง่ายๆเร็วๆแลวโดยโดยวิธีที่จะต้องไปสร้างความเสียหายเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นถ้าอยากจะได้อะไรก็หาโดยวิธีที่ไม่ไปเบียดเบียนผู้อื่นได้มากได้น้อยก็ไม่เป็นไรไม่เป็นปัญหาเพราะมีมากก็ไม่ได้เพราะไม่มีความอยากจะมีมากมีมากก็มักจะเอาไปทำบุญต่ออยู่ดีอันนี้ก็คือศีลบารามี คนที่รักษาศีลบ า, ามีได้นี้จะได้อะไรจะได้รับประกันว่าไม่ต้องไปเกิดในอบายนั่นเองถ้าใครรักษาศีลห้าไม่ได้ถ้ารักษาศีลห้าไม่ได้นี้ตายไปต้องไปเกิดในอบายเพราะอบายนี้เป็นที่ไปของผู้ทําบาปนั่นเองถ้าทําบาปด้วยความหลงก็ไปเป็นเดรชานถ้าทําบาปด้วยความโลภก็จะไปเป็นเปรต ทำบาปด้วยความกลัวก็จะไปเป็นอสูรกายทำบาปด้วยความโกรธเกลียดเคียดแค้นอาฆาตพยาบาทก็จะไปนรกแต่ถ้ารักษาศีลห้าได้ไม่ทำบาปได้ก็ไม่ต้องไปอบายได้อย่างแน่นอนตายไปก็กลับมาเป็นมนุษย์หรือไปเป็นเทวดาก่อนนี่คืออานิสงส์ที่เราจะได้รับจากการรักษาศีลไม่ทำบาป แล้วกลับมาก็จะมีร่างกายสมบูรณ์มีอาการครบสามสิบสองจะไม่เกิดมาแบบอาภัพวาสนาพวกที่ทำบาบนี้หลังจากที่ไปใช้กรรมในอบายแล้วพอกลับมาเกิดใหม่ก็จะเกิดมาแบบอาภัพวาสนาลุคน่าหน้ า, นาตาก็ไม่สวยงามฐานะการเงินการทองก็ไม่ดีดีไม่ดี อาการอาจจะไม่ครบอาการส า, ารสิบสองหูหนวกตาบอดแขนขาดขาขาดมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนอายุสั้นเนี่ยอันนี้เป็นอนิสง์ของผลบาปหลังจากที่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วทำไมาโลกเราจึงมีคนแบบนี้อยู่มีคนหูหนวกมีคนตาบอดมีคนพิการมีมีคนมีโรคภัยเลือ ลุงลังติดตัวอยู่ตลอดเวลามีความเจ็บไข้ได้ป่วยมีอายุสั้นอันนี้ก็ส่วนหนึ่งก็มาจากการไปทำบาปเมื่อในชาติก่อนนั่นเองแต่ถ้ารักษาศีลได้เจริญศีบลบารมีได้ตายไปก็ไม่ต้องไปเกิดในอบายไม่ต้องไปเป็นเดรัจฉานไม่ต้องไปเป็นเปรต ไม่ต้องไปเป็นอสูรละกายไม่ต้องไปตกนรกไปเป็นมนุษย์หรือไปเป็นเทวดาไปเป็นเทวดาก็ต้องได้ทำบุญด้วยถ้าได้ทำบุญได้แผ่เมตตาอยู่อย่างสม่ำเสมอรักษาศีได้อย่างตลอดเวลาตายไปก็จะไปเป็นเทวดาก่อนแล้วกยกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่บารมีข้อที่สี่ ก็คือในขมมะบารมีถ้าอยากจะให้จิตใจมีความสุขมากขึ้นกว่าการรักษาศีลอยากจะให้จิตใจไปสูงในระดับของพรหมโลก<ม>ก็ต้องถือในขมมะบารมีในขมมะบารมีแปลว่าอะไรคือการออกจากกามภพนั่นเองกามภพคือผู้ที่ยังเสพกามอยู่ ยังเสบรูปเสียงกลิ่นรสผลพทพะอยู่ถ้าอยากจะไปสู่พรหมโลกโลกของผู้ที่ไม่เสบกามก็ต้องเจริญเนคข ม, มะบา ร, รมีเนคข ม, มะบา ร, รมีก็คือการถือศีลแปดนี้เเพราะจะเพิ่มศีลเพิ่มอีกสามข้อศีลที่เพิ่มนี้ก็เป็นศีลที่ให้ระ ง, งับการเสบกามทั้งนั้นเช่นศีลข้อที่สามก็ให้เปลี่ยนเป็นอ布拉รรจารยาเวรมณี จะไม่เสพกามจะไม่ร่วมหลับนอนกับใครถ้ายังถือศีลห้าอยู่นี้ยังร่วมหลับนอนได้แต่ยังต้องร่วมร่วมหลับนอนกับสามีภรรยาถึงจะไม่ผิดศีลห้าถ้าไปร่วมหลับนอนกับคนที่ไม่จะเป็นคู่กองของเรานี้ก็จะผิดศีลห้าได้ยังไปอบายได้ไปเป็นเดรัจฉานได้แต่สำหรับผู้ที่ไม่ต้องการที่จะกลับมาเกิด มาเสพกามมาเกิดเป็นมนุษย์ต้องการที่จะไม่เป็นไม่ต้องการเป็นมนุษย์หรือเป็นเทวดาหลังจากที่ตายไปแล้วอยากจะไปเป็นพรหมก็ต้องถือศีลแปดกันเลิกเสพกามกันไม่ร่วมหลับนอนกับใครศีลข้อสามแล้วก็ลดการกินอาหารให้น้อยลงไปให้กินเท่าที่จําเป็นกินเพื่ออยู่ไม่ได้กินโดยด้วยความอยาก ไม่ได้กินเพื่อความสุขจากการกินกินเพื่อรักษาให้ร่างกายอยู่ได้เหมือนกับการกินยากินตามเวลากินอะไรก็ได้ไม่ต้องถูกปากถูกใจกินเพื่อให้ร่างกายอิ่มก็พออันนี้เพื่อระงับการเสพกามทางอาหารไม่ต้องกินเพื่อให้มันอริดอร่อยเพื่อให้เกิดความสุขใจถ้ากินเพื่อความสุขใจนี่เรียกว่าเป็นการเสพกาม เสบรูปเสียงกลิ่นรสของอาหารผู้ที่ต้องการออกจากกามโลกกามภพนี้ต้องกินแบบสมถะเรียบง่ายกินแบบตามมีตามเกิดมีอะไรก็กินได้ถ้าจะกินให้ถ้าจะให้นั่นใจว่าไม่ได้กินด้วยด้วยด้วยการเสพกามก็เอาอาหารที่กินนี้มาคุกกันให้มันเป็นอาหารชนิดเดียวไป เอาของข้าวของหวานของอะไรมาปนกันให้มันไม่น่ากินเมื่อมันไม่น่ากินแล้วก็กินแบบกินยาไปอย่างนี้ก็เรียกว่ากินแบบการออกกามมาพบไม่กินเพื่อเสพกามกินเพื่ออยู่จริงๆกินเพื่อให้ร่างกายอยู่ได้เหมือนกินยา<ม>แล้วสี่ข้อที่เจ็ดก็คือให้หยุดกิจกรรมทางตาหูจมูกลิ้นกาย เป็นไปดูหนังฟังเพลงไปดูลิเกดูละครไปร้องรำทำเพลงไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆสถานบันเทิงต่างๆโรงมหัศลศพต่างๆศูนย์การค้าต่างๆสถานที่สวนสนุกต่างๆสถานที่อะไรต่างๆที่ให้ความสนุกสนานเพลิดเพลินทางตาหูจมูกวิ้นกานี้เรียกว่าเป็นการเสพการมทั้งนั้นจะต้องระ ง, งับมันไป แล้วก็ไม่เสพกามด้วยการมาเสริมสวยความงามของทางร่างกายไม่ต้องให้ร่างกายมันสวยไม่ต้องทําผมทําหน้าทําตาทําปากทําเล็บทําคิ้วทําฟันทำลายร้อยแปดอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการเสพกามผู้ที่ไม่ต้องการจะติดอยู่ในการมาพบนี้จะไม่ต้องทำไม่ทํากิจกรรมเหล่านี้และการหลับนอนก็ไม่ต้องการหลับนอนแบบสุขสบายหลับนอนเพื่อให้ได้พักผ่อน ร่างกายเพื่อไม่ให้นอนมากเกินไปก็ให้นอนบนพื้นแข็งๆปูด้วยผ้าปูด้วยเสือ่ออย่าไปนอนบนฟูกนหะนาะๆบนเตียงใหญ่ๆอันนั้นเป็นการเสพกามทางการหลับนอนเพราะต้องการหลับนอนให้ร่างกายสุขสบายร่างกายนี้ไม่ต้องการความสุขสบายต้องการการพักผ่อนเท่านั้นจะพักผ่อนบนเตียงเสียง บนฟูกหนาหรือบนพื้นแข็งๆก็พักผ่อนได้เหมือนกันแต่ถ้าอยู่บนฟูกหนาๆมันจะนอนมากเกินไปนี้ก็คือการเจริญเนคข ม, มะบารมีถ้าอยากที่จะออกจากกามมาโลกกามมาภพเวลาตายไปอยากจะไปพรหมโลกนี้ต้องเจริญเนคข ม, มะบารมี แล้วนอกจากเจริญในี่ยขมะบารมีแล้วยังต้องมาเจริญอุเบกขาบาลมีด้วยเพราะแม้จะแม้จะถือศีลแปดได้แต่ก็ยังไม่แน่ว่าจะไปถึงพรมโลกได้หรือเปล่าถ้าอยากจะไปให้ถึงพรมโลกอย่างแน่ใจนี้ต้องมาเจริญในี่ยขมะบาลมีในี่ยขมะบาลมีก็คือทำใจให้เป็นกลางทำใจให้ปราศจากความรักชังโกหลง อันนี้จะทำให้ใจเข้าสู่พรหมโลกได้การจะทำให้ใจเป็นกลางเป็นอุเบกขาก็ต้องฝึกสมาธินั่นเองต้องใช้ต้องมีสติก่อนที่จะมีสมาธิได้ต้องมีสติก่อนถ้าไม่มีสติจะหยุดความคิดไม่ได้จะทำใจให้นิง่งให้สงบเป็นอุเบกขาไม่ได้ถ้าอยากจะให้ใจสงบมีอุเบกขามีความสุขในตัวเอง โดยที่ไม่ต้องไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็ต้องมาเจริญอุเบกขาบบาลมีต้องมาฝึกสติมาเจริญสติมาหัดควบคุมความคิดกันอย่าปล่อยให้ใจคิดเรื่อยเปื่อยให้คิดเฉพาะเรื่องที่จะเป็นจะต้องคิดถ้าไม่จะเป็นจะต้องคิดให้ใช้สติหยุดมันถ้าถ้าสติยังหยุดความคิดไม่ได้ก็ต้อง เสริมกำลังสติให้มีมากขึ้นเสริมด้วยกรรมฐาน40ชนิดด้วยกันอย่างใดอย่างหนึ่งที่เราใช้กันเป็นประจาก็คือพุทธานุสติอันนี้ก็เป็นกรรมฐานเป็นเครื่องเสริมสติให้เกิดขึ้นวิธีเจริญพุทธานุสติก็คือให้เราหมั่นบริกรรมพุทโธพุทโธไปภายในใจอย่าปล่อยให้ใจคิดด้วยเปื่อย บริกรรมพุโทโธตั้งแต่เติ่นขึ้นมาเลยเพราะถ้าเราไม่บริกรรมใจมันจะไปคิดด้วยเปื่อยคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้คิดแล้วก็เกิดความอยากเกิดความโลภเกิดความโกรธเกิดอารมณ์ต่างๆขึ้นมาทําให้วุ่นวายใจแต่ถ้าเราควบคุมใจด้วยพุโทโธพุโทโธได้หยุดความคิดได้ใจก็จะเบาจะสบายจะมีความสุขจะเป็นกลางจะเป็นอุเบกขาขึ้นมาน อันนี้ก็คือเรื่องของอุเบกขาบารมีถ้าเราอยากจะมีความสุขโดยที่เราไม่ต้องไปมีร่างกายเราต้องเจริญอุเบกขาบารมีให้ได้เพราะถ้าเรามีอุเบกขาบารมีแล้วใจของเราจะอิ่มจะมีความสุขมีความพอจะทาให้ใจเราไม่หิวกับ ลาบยศสรรเสริญไม่หิวกับรูปเสียงกลิ่นรสผลถพระแล้วเราก็จะไม่ต้องไปมีร่างกายได้แต่ในขัวมะบารมีที่เจรนนี้จะอยู่คงทนถาวรต่อไปได้ก็ต้องอาศัยปัญญาบารมีมาช่วยรักษามาช่วยคุ้มครองเพราะถ้าอุเบกขาไม่มีปัญญาบารมีพอออกจากสมาธิมา พอมาสัมผัสรับรู้กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็จะเกิดตัณหาความอยากขึ้นมาได้พอเกิดตัณหาความอยากอุเบกขาก็จะหายไปความสุขสงบภายในใจก็จะหายไปความหิวความอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ก็จะปรากฏขึ้นมาก็จะทำให้ต้องไปหาความสุขผ่านทางร่างกายแต่ถ้ามีปัญญาปัญญาก็จะสามารถระงับ การไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้พอจากสมาธิมาพอเกิดตัณหาความอยากขึ้นมาพอไปเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วก็อยากได้เห็นขนมก็อยากกินก็ใช้ปัญญามาพิจารณาว่าการไปกินขนมนี้มันเป็นเหมือนกับปลาที่ไปปลาที่ไปหุบเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ด เพราะถึงแม้ว่าจะเป็นอาหารอันโอชะก็เป็นอาหารชิ้นเล็กๆเท่านั้นเองแต่พอไปฮุบมันแล้วจะถูกตะขอเบ็ดเกี่ยวปากผู้ที่ไปทำตามความอยากแล้วจะติดความอยากนี้จะบังคับให้ทำอยู่เรื่อยๆพอไปได้สิ่งที่อยากได้แล้วเดี๋ยวสักพักก็อยากจะได้ใหม่ขึ้นมาอีกอยากจะได้มากขึ้นไปอีกก็จะอยากไปเรื่อยๆพออยากก็ต้องมีร่างกายต้องมีร่างกาย ก็ต้องมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายถ้ามีปัญญาสอนใจแบบนี้ใจก็บอกไม่เอาดีกว่าสู้อยู่กับอุเบกขาดีกว่าหยุดใจหยุดความอยากดีกว่าไม่ไปทำตามความอยากดีกว่าพอไม่ทำตามความอยากได้ใจก็จะสงบเป็นอุเบกขาไปตลอดใจก็ไม่ต้องไปมีร่างกายไม่ต้องไปเกิดไปแก่ไปเจ็บไปตายไปทุกข์ไปกลับ การกระทำต่างๆอีกต่อไปใจก็จะกลายเป็นใจของพระพุทธเจ้าใจเป็นของพระอาหารหันตสาวลกไปถ้ามีบารมีคือปัญญาบารมีและอุบเบกขาบารมีใจก็จะมีแต่ความสงบมีแต่ความสุขไปตลอดไม่หิวไม่โหยไม่อยากได้อะไรในโลกนี้อีกต่อไปไม่อยากได้ลาบยศสรรเสริญไม่อยากได้ลูกเสียงกลิ่นรสผลตภะ เพราะเห็นด้วยปัญญาว่ามันเป็นทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงมันเกิดแล้วมันต้องดับได้มาแล้วเดี๋ยวมันต้องหมดได้มามากได้น้อยเท่าไหร่เดี๋ยวถึงเวลาตายก็ต้องก็ต้องทิ้งไปหมดเอาติดตัวไปไม่ได้สู้เอาอุเบกขาไปดีกว่าอุเบกขานี้จะให้ความสุขแต่ถ้าเอาถ้ามีราบยศสรรเสริญเวลาตายไปนี้จะไม่มีอะไรติดตัวไป จะมีแต่ความหิวมีแต่ความอยากมีแต่ความทุกข์ติดตัวไปเนี่ยแหละคือเรื่องของการสร้างบุญบา ร, รมีต่างๆที่เราได้มาสร้างกันในวันนี้สร้างได้มากสร้างได้น้อยก็ขึ้นอยู่กับกําลังของแต่ละแต่ละท่านเป็นเหมือนกับการมาเรียนหนังสือ พระพุทธศาสนานี้ก็ไปเหมือนโรงเรียนมีตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงระดับปริญญาเอกผู้ที่มาเรียนก็ต้องไปตามชั้นตามกําลังของตนบางท่านก็ไปชั้นอนุบาลบางชั้นก็ไปชั้นปรถมบางท่านก็ไปชั้นมัธยมนะก็คือการเจริญบารามีต่างๆนั่นเองถ้าเริ่มเจริญเมตตาบารามีก็เหมือนกับเริ่มชั้นอนุบาลพอเจริญทาน บารมีได้ก็เข้าสู่ชั้นปฐมพอจเจริญศีลบารมีได้ก็เข้าสู่ชั้นมัธยมพอจเจริญเนคขมะบารมีได้ก็เข้าสู่มหาระดับปริญญาพอได้อุเบกขาบารมีได้ปัญญาบารมีก็จะได้ปริญญาตรีโทเอกไปตามลําดับอันนี้แต่ละคนนี้จะเลือกไม่ได้อยู่ที่กําลังของแต่ละคนว่าจะสร้างบารมีระดับไหนได้ ก็สร้างไปตามกำลังของตนแต่ให้รู้ไว้นี่คือระดับต่างๆที่เราสามารถสร้างกันได้ลองเอาระดับแรกก่อนคือเมตตาบามีไม่ยากเลยใครด่าเราก็ให้อภัยเขาไปเท่านั้นเองก็จบแลวหรือถ้ามีขนมก็มาฝากกันอย่างนี้ก็เรียกว่าเจริญเมตตาบารมีแล้วทำไปเมตตาบาลมีทานบารมีศีลบารมี เนคั ม, มบาลมีอุเบกขาบาลมีปัญญาบารมีด้วยการสนับสนุนของอธิษฐานสัจจะวิริยะขันติบารมีถ้าเรามีอธิษฐานมีสัจจะมีวิริยะมีขันติแล้วการสร้างเมตตาสร้างทานทั้งศีลสร้างเ น, นขัมมะสร้างอุเบกขาสร้างปัญญาจะสามารถทําได้อย่างราบรื่นก้าวหน้า ไปจนถึงจุดหมายปลายทางที่เราต้องการไปได้คือการพัฒนาชีวิตจิตใจของเราให้ไปสู่ขั้นสูงสุดได้คือขั้นระดับของพระพุทธเจ้าระดับของพระอาลันตสาวกทั้งหลายได้เพราะว่าพระพุทธเจ้ากับพระอาลัยตรสาวกทั้งหลายท่านก็เป็นเหมือนพวกเราในขณะนี้มาก่อนเราท่านก็มาสร้างบารมีต่างๆเหล่านี้ จนทําให้จิตใจของท่านพัฒนาขึ้นไปจนได้เป็นพระพุทธเจ้าได้เป็นพระหลันตสาวกกันพวกเราก็จะได้เป็นอย่างแน่นอนถ้าเรามีความตั้งใจที่จะอุทิศชีวิตของพวกเรานี้ให้กับการสร้างบา ร, รมีต่างๆอย่างนั้นขอให้ท่านจงน่าวเรื่องที่ท่านได้พิจารณาได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิจิตพิจารณาและไปปฏิบัติ เพื่อความสุขและความเจริญของชีวิตที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวหาปุราปาริโปรเนติสาคลรังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุ ป, ปกปปัปติ อิทิตังปฏติตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุสัพเเอปเรนตุสังกะปาจันโทปนะระโสยธามณิโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวาจจานตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภะวัตวันตราโยสุขีทีขายุโกภวะ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 หลังจากนั้นก็ขอขออขอยุติการถามตอบถ้าไม่อยากถามด้วยตนเองก็เขียนข้อความส่งเข้ามาให้พิธีกรที่ศาลานี้อ่านให้ก็ได้วันนี้ทางเฟซบุ๊ YouTube ก็มาเท่าไหร่ทางเฟ e บุ๊ k วันนี้มี323ท่านะคะ่ะย t u b บ113วิทยุออนไลน์16รับฟังบนเขา201 รวมทั้งหมดหกรอยห้าสิบสามท่านค่ะหกรบมเออมีคำถามก็ถามได้เลยมีคำถามจากไลน์นะคะคำถาม <c oughs> เมื่อวานพระอาจารย์บรรยายธรรมเรื่องคนตาบอดสอนธรรมะให้คนหูหนวกแล้วคนตาบอดจะบาปไหมคะเมื่อคนตาบอดเขาเข้าใจว่าสิ่งที่เขาสอนมันถูกต้องจากตำราแล้วเขาก็ได้บุญในที่ สิ่งที่เขาสอนคนอื่นจะมีวิธีบอกเขาอย่างไรได้บ้างคะว่าในสิ่งที่เขาทําอยู่อาจจะไม่ถูกต้องคะ่ะถ้าเขาตั้งเขาเชื่อเราเราก็บอกก็ได้ถ้าเขาไม่เชื่อบอกเขาเขาก็ไม่ฟังอย่งก็ต้องดูว่าเขาฟังเราหรือเปล่าเขาเชื่อเราหรือเปล่าถ้าเขาเชื่ออย่างองค์กุลิมานี่เชื่อพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกองค์กุลิมานเธอกําลังฆ่าผิดคน อย่าไปฆ่าคนให้ฆ่ากิเลสนะพอพุทธเจ้าพวกนี้องคคลิมานก็เชื่อก็เลยเปลี่ยนจากการฆ่าคนมาฆ่ากิเลสอพอฆ่ากิเลสได้ก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ยิ่งนั้นตอนเวลาเราจะสอนใครเราต้องดูว่าเขาฟังเรารึเปล่าอย่างที่เนี่ยญาติโยมมาเรารู้ว่าญาติโยมฟังเพ่อพอะไรเพราะเราไม่ได้บอกให้มามาเองถ้ามาเองก็แสดงว่าอยากจะฟังถึงมา อย่างนก็พูดได้สอนได้แต่ถ้าเราถ้าเราไปหาโยมที่บ้านนี้โยมอาจจะไล่เราไปก็ได้วตอนนี้ไม่อยากจะฟังใช่ไหมอเาดงนั้นพระจะไม่ไปเคาะประตูบ้านแล้วไปสอนญาติโยมที่บ้านให้ญาติโยมมาหาพระดฉงนั้นการจะสอนใครเราต้องดูว่าเขายินดีที่จะฟังคำสอนของเราหรือไม่เราก็ลองแย่ไปดูสิลองพูดคำสองคำนึกถามเขาว่าเนี่ย เธอมีอะไรเราอยากจะบอกเธออยากจะฟังไหมถามว่าก่อนถ้าก็อยากจะฟังก็บอกเขาไปถ้าก็ไม่อยากฟังก็อ่แล้วไปช่วยไม่ได้เพราะเขาก็นอกจากตาบอดแล้วหูหนวกด้วยถ้าไม่อยากจะฟังใครก็เหมือนคนหูหนวกเข้าใจไหมคนตาบอดสอนคนหูหนวกมันจะได้เรื่องหรือเปล่าคนตาบอด ก, ก็ไม่เห็นสิ่งที่ตนเองสอน สีเขียวสีแดงมองไม่เห็นแล้วก็ไปสอนคนหูหนวกคนหูหนวกก็ฟังไม่ได้ยินอยู่ดีคนหูหนวกก็คือคนไม่ตั้งใจฟังเวลาฟังธรรมก็มัวแต่ไปคิดเงินคิดทองคิดเรื่องภาษีเรื่องอะไรต่างๆหรือคิดไปเที่ยวที่นั่นคิดที่ไปเที่ยวที่นี่หรือมันก็คุยกันหรือบางทีก็ทากับข้าวล้างถ้วยล้างชามไปฟังไปอันนี้มันเลยไม่ได้เกิดประโยชน์เท่าที่ควร เหมือนคนหูหนวกฟังฟังไม่รู้เรื่องฟังแล้วไม่บรรลุธรรมการถามต่อไปจากไลน์นะคะคุณภัยารศิลห้าศิลแปดมีผลช่วยในการปฏิบัติอย่างไรครับก็ทำให้เรามีเวลามาปฏิบัติเนี่ยแล้วทำให้ใจเราไม่ไปวุ่นวายกับเรื่องราวต่างๆถ้าเราไปทำบาปเดี๋ยวแล้วก็ต้องไปมีเรื่องมีปัญหา อาจจะต้องคอยหนีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยไปแก้แก้ปัญหาที่เกิดจากการทำบาปของเราอพอเราไม่ทำบาปมันก็ไม่มีปัญหาไม่มีเรื่องเวลาให้เราต้องไปแก้เราก็จะได้มีเวลามาปฏิบัติธรรมได้คำถามต่อไปเวนต้องระงับด้วยไม่ไม่ตองเวนต้องทำอย่างไรคะเราเจอคนที่เป็นเช่นนั้น เราต้องทําใจและกายอย่างไรคะขอไม่เอ่ยชื่อค่ะก็ให้คิดอย่างนี้ถ like> ้าเขาไม่ชอบเราก็ให้คิดว่าดีแล้วเขายังไม่ด่าเรานถ้าเขาด่าเราก็คิดว่าดีแล้วเขายังไม่ตีเราแต่เขาตีเราก็คิดว่าดีแล้วเขายังไม่ฆ่าเราถ้าฆ่าเราก็วดีแล้วจะได้หมดเวรหมดกรรมกันเอให้คิดอย่างนี้แล ja ้วจะสบายใจเราห้ามเขาไม่ได้แต่เราห้ามเราได้เขาจะจองเวรจองกรรมเรานี่เราห้ามเขาไม่ได้ แต่เราห้ามเราไม่ให้ไปจองเวรจองกรรมเขาได้ด้วยให้คิดในในมุมที่ดีคิดว่าดีแล้วเขาเพียงแต่ไม่ชอบเราเขายังไม่ด่ดาเราถ้าเขาด่าเราก็คิดว่าดีแล้วเขายังไม่ตีเราถ้าเขาตีเราก็ดีแล้วเขายังไม่ฆ่าเราถ้าเขาฆ่าเราก็ดีแล้วจะได้หมดเวรหมดกรรมนั่นเกิดมาก็ต้องตายด้วยกันทุกคนถ้าเขาจะฆ่าเราจริงๆเราก็ห้ามเขาไม่ได้อยู่ดี คำถามจากไลน์นะคะก่าเรียนพระอาจารย์การทาสมาธิอยู่คนเดียวที่บ้านหลายอาจารย์บอกว่าอันตรายเมื่ออยู่คนเดียวแต่ยมว่ามันมีความสุขสบายใจไม่ต้องกังวลอะไรอยากทราบว่าแบบไหนถูกเจ้าคะ อ, อ๋อการทาสมาธิทำคนเดียวนะ่ะดีที่สุดแต่ท่านอาจจะหมายความว่าต้องมีครูอาจารย์คอยคอยสอนคอยเตือนคอยบอกแต่เวลาทำจริงๆให้ทำคนเดียว แต่เวลาทำแล้วมีอะไรก็ควรจะไปเล่าให้อาจารย์เขาฟังว่าทำถูกหรือเปล่าอย่างี้คืออย่าอย่าปฏิบัติโดยไม่มีคนที่เขามีประสบประการณ์มาคอยสอนคอยกำกับเราเพราะเราอาจจะทำผิดโดยที่เราไม่รู้สึกตัวแล้วเราจะเสียเสียหายไดน้นี่คือความหมายว่าการปฏิบัตินี้ต้องมีครูมีอาจารย์ไม่ให้ปฏิบัติตามลำพัง แต่เวลาปฏิบัติเวลานั่งสมาธิเวลาเดินจงกรมนี่ต้องอยู่คนเดียวถึงจะดีที่สุดเพราะต้องการต้องปลีกวิเวกไงการที่จะทําทใจให้สงบได้กายต้องสงบคําว่าสงบกายก็คือไม่มีสิ่งไม่มีอะไรมาคอยลบมามาคอยลบกวนใจอยู่คนเดียวเรียกไปปรีกวิเวกกายวิเวกแล้วเดี๋ยวจิตก็จะวิเวกคําถามต่อไปจากคุณสิริพรพระอาจารย์คะ ตอนนี้หนูเริ่มสวดมนต์สมาธิอย่างจริงจังทุกวันตั้งแต่มิถุนายนปีที่แล้วค่ะและสนใจฟังธรรมแต่หนูเรียนถามว่าทำไมหนูถึงจำใจไม่ให้โกรธสามีหนูไม่ได้คะสามีหนูเป็นคนอารมณ์ขี้งุดหงิดชอบประชดประชนันเอาแต่ใจอารมณ์ร้อนพอเขาว่ามาหนูก็รู้สึกโกรธไม่อยากพูดด้วยไม่อยากยุ่งอารมณ์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย ก็ไม่เข้าใจพยายามคิดว่าหนูคงชดใช้กรรมให้เขาอยู่ค่ะรบกวนพระอาจารย์แนะนำหน่อยค่ะเรามีอุเบกขาน้อยใจเราเป็นกลางเฉยไม่เป็นงั้เราต้องฝึกสติให้มากๆสวดมนต์อย่างเดียวไม่พอต้องพุโทโธไปทั้งวันตั้งแต่ตื่นขึ้นมานี่ไม่ว่าทำอะไรถ้าใจจะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ให้ดึงกลับมาหาพุโทโธพุโทโธให้อยู่กับพุโทโธอย่าปล่อยให้คิด แล้วใจเราจะเฉยใจจะเป็นกลางได้มากขึ้นแล้วต่อไปเวลาเราได้ยินได้เห็นอะไรเราจะไม่หดเหยียดลำคาญใจคือมันไม่หายหมดแต่มันจะน้อยลงไปแล้วทางหดหยิดเราก็สามารถหยุดมันได้ด้วยการบริกรรมพุทโธพุทโธไปใั้พยาพยามหัดบริกรรมพุทโธถ้าต้องการแก้ปัญหาเพราะการสวดมนต์เราก็เพิงแค่สวดแค่ตอนเย็นหรือตอนไหนเพียงครึ่งชั่วโมงเท่านั้นเอง มันก็เป็นการเจริญสติแบบหนึ่งแต่มันน้อยไปมันต้องเจริญทั้งวันตั้งแต่ตื่นจนหลับถ้าเราเจริญเต้นแต่ตื่นจนหลับได้ควบคุมความคิดได้ใจของเราจะไม่วุ่นวายไปกับเหตุการณ์ต่างๆกับบุคคลต่างๆคำถาม ต, ต่อไปจากพระวิชิโตช่วงนี้ตอนนั่งกรรมาฐานผมเห็นตัวเองตายบ่อยมากเห็นตัวเองเริ่มเขียวเน่าเปื่อยตามลาดับ อย่างนี้ต้องปฏิบัติกรรมฐานกองใดต่อขอรับก็ปฏิบัติไปจนกว่าเราจะไม่กลัวตายพอรู้ว่าต่อไปร่างกายต้องตายคนที่ผู้ที่กลัวตายไม่ใช่ร่างกายผู้ที่กลัวตายไม่ได้ตายกลับไปกลัวแทนร่างกายคือใจใจเป็นผู้มาครอบครองร่างกายร่างกายเป็นเหมือนคนรับใช้ใจแต่ใจไปรักไปห่วงร่างกาย พอเห็นร่างกายตายก็เลยกลัวขึ้นมาดังนั้นต้องพิจารณาไปจนกว่าจะไม่มีความกลัวตายคำถามจากบนเขากราบนรัมสการ์พระอาจารย์เจ้าค่ะโยมเคยอ่านหนังสือที่หลวงตามาหาบัวท่านกล่าวถึงปัญญาอบรมสมาธิโยมใคขอความกระจ่างในเรื่องดังกล่าวว่าหมายความอย่างไรเหมาะกับ กลุ่มคนหรือสถานการณ์ไหนและมีวิธีปฏิบัติอย่างไรขอบคุพระคุณเจ้าค่ะคือจิตใจของเราบางมันก็สงบง่ายบางวันก็สงบยากบางวันเรื่องมากบางวันเรื่องน้อยถ้าวันไหนมันไม่มีเรื่องมันไม่มีเราเราพุทโธพุทโธมันก็สงบได้ดูลมมันก็ดูได้นี่เราก็ไม่ต้องใช้แต่บางวันมันเกิดมีปัญหาทางใจขึ้นมา ไปมีเรื่องมีราวกับคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้พอจะมาพูดโธก็พูดโทไม่ออกพอจะดูลมก็ไม่ยอมดูลมจะไปคิดถึงเรื่องนั้นอยู่ค้างคาอยู่กับเรื่องปัญหานั้นเราก็ต้องใช้ปัญญาเข้าไปดึงใจออกมาเรื่องของคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ถ้าเรามองเข้าว่าเขาเป็นตายรักได้เราก็จะปล่อยวางเขาได้มองว่าเขาไม่เที่ยงเขาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเมื่อก่อนดีแต่วันนี้ไม่ดีเสแล้วแต่ถ้าเรายังอยากให้เขาดีอยู่เราก็จะเสียใจเราก็จะวุ่นวายใจแล้วเราก็สั่งเขาไม่ได้ห้ามเขาไม่ได้เขาเป็นอนัตตาถ้าเราเห็นว่าเขาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราก็จะปล่อยให้เขาเป็นไปตามเรื่องของเขาเขาจะร้ายก็ร้ายไปเขาจะโกรธก็โกรธไปเขาจะเกลียดก็เกลียดไป เขาจะฟ้องร้องเราจับเราเข้าคุกก็ปล่อยก็ทำไปเราห้ามเขาไม่ได้พอเรายอมแต่พอเราปล่อยก็ได้แล้วเราก็เราก็จะกลับมาพุทโธพุทโธได้ดูลมหายใจเข้าออกได้นี่เรียกว่าปัญญาอบรมสมาธิอบรมใจที่ฟุ้งซ่านให้ให้สงบลงไม่ได้หมายความว่าให้จิตรวมเป็นอัปปนาสมาธิเพียงแต่ว่าทำให้ใจนี้ไม่ต้องไปวุ่นวายกับเรื่องที่มากวนใจ ให้ใจกลับมาอยู่กับพุทโธได้อยู่กับลมหายใจได้คำถามจาก บ, บนเขากราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาดิฉันได้มาถือศีลแปดอยู่สามวันจนครบจึงลากลับแต่พอถึงบ้านจึงได้รู้ว่ามีของใช้ที่วัดติดมาด้วยมาอาทิตย์นี้จึงได้อำมาคืนอย่างนี้จะเป็นบาปใหมเจ้าค่ะ อ, อ๋อไม่บาปหรอกเราไม่มีเจตนาไม่มีความตั้งใจ บางทีอาจจะจับผิดจับถูกคิดว่าเป็นของเราเราก็เรากลับไปพอรู้ว่าไม่ใช่ของเราเราเามาคืนก็ก็หมดปัญหาไปคําถามจากบนเขาตั้งใจเข้าปฏิบัติธรรมที่วัดสี่วันแต่ออกมาก่อนเพราะจะมาฟังธรรมและใส่บาทพระอาจารย์สุชาติถือว่าผิดศีลหรือไม่คะก็อยู่ที่ว่าเราตั้งศีลจจอย่างไร ถ้าเราตั้งว่ามีมีวงเล็บว่าขอออกมาใส่บาทอันนี้ก็ก็เป็นส่วนหนึ่งของสัจจะถ้าไม่มีวงเล็บก็ถือว่าเฉเลยถลายแล้วไม่ยอมอยู่หาเหตุบางทีการไปทําบุญถือว่าจะเป็นการกระทําที่ดีแต่มันก็อาจจะด้อยกว่าการปฏิบัติธรรมกิเลสบางทีมันก็จะหาช่องออกมันไม่ยอมปฏิบัติธรรมมันก็เลยอ้างว่าเดี๋ยวไปทําบุญดีกว่าไปทอดผ้าป่าไปฟังเทศฟังธรรมกับครูบาอาจารย์ดีกว่า ถ้าเราตั้งใจเราอยู่ในช่วงปฏิบัติเราก็ต้องปฏิบัติอยาปล่อยให้มันมีช่องโหว่ให้มันออกมาได้เพราะการปฏิบัติพันดีกว่าการไปฟังเทศฟังธรรมหรือการไปทําบุญทําทานพราะถ้าไม่ปฏิบัติถึงแม่จะฟังธรรมไปจนหูฉีกมันก็มันก็ บ, กบรรลุไม่ได้มันจะบรรลุได้ก็ต้องปฏิบัติในเมื่อเราฟังธรรมมาพอแล้วรู้แล้วว่าเราต้องปฏิบัติอะไรแล้วก็หยุดฟังธรรมไปชั่วคราวก็ได้ ฟังธรรมพุทเจ้าก็บอกให้ฟังตามการตามเวลาไม่ได้ฟังแบบพิ่มเพื่อฟังพอให้รู้ว่าต้องทำอะไรเมื่อรู้แล้วก็เอาไปทำเมื่อทำแล้วติดขัดไม่เข้าใจตรงไหนก็ค่อยมาฟังใหม่อย่างนี้ได้อยู่แต่อย่าไปหาเหตุว่า อ, อ๋อกำลังปฏิบัติอยู่เดี๋ยวอยากจะไปฟังธรรมขึ้นมาอยากจะไปทำบุญขึ้นมาอย่างนี้มันเป็นเรื่องของกิเลสหลอกเราถึงแม้ว่าจะเป็นการทาบุญแต่ก็เป็นการทาบุญขั้นต่ากว่า บุญที่เราจะได้จากการปฏิบัติดังนั้นเวลาเราตั้งสัจจะเราจึงต้องระมัดระวังว่าเรามีเป้าหมายอย่างไรที่ตั้งเป้าหมายว่าจะปฏิบัติธรรมก็เพื่อที่จะบังคับไม่ให้มันไปทําอย่างอื่นถ้าไม่ตั้งเป้าหมายเดี๋ยวใครโทรศัพท์มาที่บ้านมีปัญหาก็รีบขอกลับบ้านขึ้นมาทันทีแต่ถ้าเราตั้งสัจจะแล้วว่าจะไม่ไปไหนจะอยู่นี่สี่วันต่อให้บ้านไฟไหม้น้ําท่วมมันก็ไม่ไปอใครจะโทรมาเรียกก็ไม่ ไม่ไม่ไม่รับสายเลยถ้าปฏิบัติแล้วก็ปิดหูปิดตาอย่าไปรับรู้เรื่องโลกภายนอกถ้าไปรับรู้แล้วเดี๋ยวปฏิบัติไม่ได้คําถามจาก youtube กับเรียนถามว่าชายรักชายสามารถไปสวรรค์นิพพานได้ไหมคะถ้าปฏิบัติดีคะ่ะได้แต่ก็ต้องเลิกรักกันเนี่ที่ที่ไปนิพพานเพราะว่ายังที่ไปไม่นิพพานไม่ได้เพราะยังรักยังติดคนนั้นติดคนนี้อยู่ไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือเป็นชายเหมือนกันทั้งนั้น ถ้าจะไปนิพพานนี้ต้องไม่รักใครเลยแม้แต่ร่างตัวเองก็ไม่รักร่างกายของตัวเองก็ไม่รักทิ้งหมดต้องทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างต้องอยู่กับความว่างเปล่าให้ได้ผู้ที่อยู่ว่างเปล่าได้ก็ต้องมีสติทําใจให้สงบให้ได้ถ้าใจมีสติทําใจให้สงบแล้วใจจะมีความสุขโดยที่ไม่ต้องมีใครมาให้ความสุขไม่ต้องมีชายไม่ต้องมีหญิงไม่ต้องมีอะไรมาให้ความสุขถึงจะไปนิพพานได้ คำถามจากคุณชนะตนชนะการถ้าเราไม่ทุกกับเวทนาจากการนั่งแล้วต้องฝึกเวทนาเพิ่มอีกไหมคะเพื่อให้ผ่านกับเวทนาตอนใกล้าตายให้ได้ก็ดูว่าเวทนาที่เราผ่านนี่ยมันตัวเล็กก็ตัวใหญ่ถ้ามันยังตัวเล็กอยู่ก็ลองลองนั่งต่อไปดูมันมีสามตัวตัวขนาดหนูขนาดหมาแล้วขนาดช้างเน่ย ก็ลองดูถืว่าจะผ่านทั้งสามตัวได้หรือเปล่าคำถามจากบนข่าค่ะอยากให้หลวงพ่อสอนวิธีอัศวพากรรมฐานตั้งแต่เบื้องต้นและการแยกกายออกจากกัน อ, อ๋ออัศวพาก็ดูส่วนที่ไม่สวยงามของร่างกายอย่าไปดูส่วนที่สวยงามส ว, สวยงามก็ตอนที่เขาแต่งหน้าแต่งตาทำเเผาทำผมกันดูตอนที่เขาตื่นขึ้ น, นมายังไม่ได้ทำเเผาทำผม ยังไม่ได้แต่งหน้ายังไม่ได้แปรงฟันมีขี้ตาเต็มติดอย่างนี้อันนี้ก็ดูแบบหนึ่งแล้วดูตอนที่เขาดูส่วนอื่นของร่างกายที่เรามองไม่เห็นแต่เราต้องนึกภาพขึ้นมาคือมองอวัยวะที่อยู่ภายในร่างกายอยู่ใต้ผิวหนังเช่นเห็นหน้าเขาเนี่ยเห็นภายใต้ผิวหน้าเขามีอะไรรู้เปล่าก็ เ, เห็นผิวภายใต้ผิวหน้าเขามั่งไหมว่ามีอะไร ก็มีกระโหลกศีรษะนึกถึงกระโหลกศีรษะเขานึกถึงโครงกระดูกเขานึกถึงปอดหัวใจตับไตลำไส้อะไรต่างๆเหล่านี้อันนี้ก็เรียกว่าพิจารณาอสุภะเพราะถ้าเราเห็นส่วนที่ไม่สวยงามแล้วมันก็จะดับกามอารมณ์มได้คำถามจากบนเขาขณะนั่งสมาธิรู้สึกนิ่งและมือหายไปตัวหายไปแล้วจะต้องทาอย่างไรต่อไปคะ ให้มันนิ่งไปนานๆหายไปนานๆไม่ต้องทําอะไรต้องการให้มันอยู่เฉยๆให้มันมีความสุขโดยที่ไม่ต้องทําอะไรแล้วต่อไปเราจะได้ใช้วิธีนี้เป็นวิธีหาความสุขเวลาเราอยากจะไปเที่ยวเราก็บอกว่ามานั่งสมาธิดีกว่าเวลาอยากจะไปช้อปปิ้งอยากจะไปกินไปดื่มไปดูไปฟังก็บอกมานั่งสมาธิดีกว่าถ้าเราทําเป็นแล้วเราจะไม่ต้องไปเสียเงินเสียทองไม่ต้องไปวุ่นวายกับการหาความสุขในรูปแบบอื่น เพราะความสุขในรูปแบบอื่นมันวุ่นวายมันยุ่งยากและอาจจะไม่ได้ดังใจเวลาไม่ได้ก็งดจิตลำคาญใจเสียใจว้าเหวขึ้นมาแต่ถ้าเรานั่งสมาธิเป็นทําใจให้สงบเป็นเราก็นั่งหลับตาทำให้มันสงบเราก็ได้ความสุขเลวคําถามจากคุณประนอมกับเรียนสอบถามพระอาจารย์ค่ะ รบกวนพระอาจารย์ขยายความของความรู้สึกของอุเบกขาบรารมีให้ฟังทีค่ะว่าเป็นอย่างไรที่ทำให้รู้สึกถึงความมีความสุขใช่การวางเฉยไม่ยินดียินร้ายกับสิ่งที่มากระทบใช่หรือไม่เจ้าคะใช่มันวางเฉยโดยธรรมชาติไม่ได้วางเฉยแบบที่เราไปบังคับมัอนอย่างนี้มันแบบเฉยเมยเขาพูดไม่ดีก็ทำเป็นวางเฉยแต่ใจนี่เดือดพล่านอยู่อันนี้ไม่ใช่อุเบกขา อุเบกขาจริงใจจะนิ่งใจสงบแล้วจะไม่มีปฏิกิริยาตอบโต้กับสิ่งต่างๆที่ใจไปสัมผัสรับรู้อันนี้ต้องไปปฏิบัติถึงใจถึงจะเห็นจริงสิปากว่าไม่เท่าหนึ่งตาเห็นคำถามจากคุณชนะตนชนะการตอนนี้เพลินกับการเจริญสติไม่อยากเที่ยวอยากกินเหมือนเมื่อก่อนเริ่มเข้าใจว่าความสุขที่พระอาจารย์ว่าเป็นอย่างไรมันอิ่มและสุขที่ใจอยู่เฉยๆก็สุข ให้ทำไปเรื่อยๆใช่ไหมคะเออทำไปเรื่อยๆแล้วพยายามนั่งหลับตาให้มันสงบมากกว่านี้เพราะสติความสุขที่ได้อยากสติยังไม่พอต้องให้มันได้จากความนิ่งสงบของจิตเลยพอนิ่งสงบแล้วเราไม่ต้องใช้สติบังคับเหมือนนั่งเฉยๆจิตมันนิ่งจิตมันเชื่องมันเป็นว่านอนสอนง่ายไม่มาก่อกวนไม่มาสร้างปัญหาให้กับเราคําถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามผมมีหลาน คิดว่ารักหลานคนนี้มากพอสมควรหลานของเงินไปทาธุรกิจก็ให้เพราะมีกำลังพอที่จะให้ไปทาธุรกิจให้เจริญแต่เขากลับโกหกหลอกลวงผมทุกอย่างเอาเงินไปเล่นการพนันพอเสียพนันมาขโมยเงินทองหลายครั้งหลายหนเงินทองเอาไปจำนำลดราที่ดินเอาไปจำนำผมก็ไปไถ่ออกมาหลายหน พอไปจำนำผมมีก็ไปถ่ายให้จนหมดตัวเรื่อยไปพอไม่รู้ขาดสติเหตุผลพอรู้อีกทีสายแล้วนึกจนนับเงินที่ให้ไปหมดไปห้าหกล้านเสียใจมากตอนนี้แม่ผมเป็นโรคต้องใช้เงินรักษาโรคร้ายยังไปขโมยเงินแม่ผมอีกสองครั้งจิตใจแกเลยตกต่ำเสียใจจากที่แกเริ่มดีขึ้นเงินหมดไม่เหลือตอนนี้หมดตัวตอนนี้ทุกข์มากครับ แต่ผมยังสงสารหลานอยู่อยากช่วยเหลือเหมือนเดิ ม, มเหมือนมีกรรมหรือไม่ก็ช่วยเพื่อให้เขาไม่ต้องมาเบียดเบียนขอคําแนะนําด้วยครับเอการช่วยเหลือของเรามันช่วยเหลือไม่ถูกแทนที่จะช่วยเหลือให้เขาดีกลับไปช่วยเหลือให้เขาเลวลงวิธีที่จะช่วยเหลือให้เขาดีขดึ้นก็ต้องอย่าไปสนับสนุนการกระทําที่ไม่ดีเขาต้องการเงินเพื่อที่จะไปเล่นการมณันเราก็อย่าไปให้เขา ถ้าเขาเดือดร้อนอะไรจริงๆขาดอาหารก็เอาอาหารไปให้เขาอย่าแต่อย่าให้เงินทองเขาให้ของเที่ยวที่จําเป็นจริงๆเท่านั้นส่วนของที่ไม่จําเป็นนี่อย่าไปให้เขาเพราะให้ไปแล้วก็จะทําให้เขาเสียริสัยแล้วมันจะติดได้เงินมาแล้วมันก็จะไปผานเงินต่อไปคำถามจาก facebook เรียนสอบถามพระอาจารย์ค่ะวันก่อนหนูนั่งสมาธิอยู่ แล้วความรู้สึกมันก็หยุดไปสักหนึ่งวินาทีแล้วความรู้สึกก็มาใหม่แล้วหายไปอีกแล้วก็กลับมาใหม่เป็นแบบนี้วนไปเรื่อยๆหนูควรปฏิบัติหรือแก้ไขอย่างไรคะก็สติเราไม่ไ ม, ไม่ไม่ต่อเนื่องไงบางทีสติหายไปมันก็ความรู้สึกก็หายไปถ้าถ้านั่งเป็นอย่างนี้ก็ลุกขึ้นมาเดินก่อนลุกขึ้นมาเดินจงกรมมาฝึกสติก่อนลุกขึ้นมาเดินแล้วก็พุโทโธพุโทโธไปหรือจะดู เท้าก็ซ้ายขวาซ้ายขวาไปให้มันมีสติที่มีกําลังมากก่อนพอเวลาเรานั่งถ้ามันสบายแล้วเดี๋ยวสติมันจะหายคําถามจากเฟซบุ๊กถ้าสามีมีคนอื่นเหตุผลของเขาคือคนเราไม่ได้บังเอิญที่เจอกันแต่มีกรรมร่วมกันมาให้เจอกันเพื่อผ่านไปจะคิดอย่างไรเพื่อที่จะให้อภยัยและเมตตา ก, กับเรื่องนี้พยายามแล้วแต่ยังผ่านไปไม่ได้คะ่ะ ก็คิดว่าเป็นการให้ความสุขกับเขาไงถ้าเขาไปอยากจะมีคนใหม่แล้วก็มีความสุขก็ถือว่าเราให้เขามีความสุขแล้วก็ปล่อยเขาทําไปอย่าไปถือสาค่ะคำถามต่อไปน้องปราบถามพระอาจารย์เจ้าค่ะลูกเป็นปุถุชนได้แนะนําแม่ชีซึ่งเป็นแม่ของลูกเองจะบาปไหมคะกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะก็แล้วแต่ว่าแม่ชีเขายินดีที่จะฟังหรือเปล่า ถ้าแม่ชีก็ยินดีที่จะฟังเราก็แนะนําได้ให้ความรู้กับเขาได้แต่ถ้าเขาไม่ยินดีเราก็ไม่ควรที่จะไปสั่งไปสอนผู้หลักผู้ใหญ่คำถานต่อไปจากคุณนาวินนมัสการครับการพักผ่อนนอนหลับอย่างผู้มีสติสัมปชัญญะมีอาการอย่างไรครับเราจะเอาสอนในพระนอนในท่าศีห์สา ย, ยาคือ น, นอนตะแคงขวาแล้วก็ ให้นอนด้วยสติก่อนจะนอนก็ให้ดูลมหายใจมีสติดูลมหายใจไปจนหลับพอมีความรู้สึกตัวก็ให้ให้ให้ตื่นให้ลุกขึ้นมาทันทีแสดงว่าร่างกายได้พักผ่อนพอแล้วอย่านอนต่อคำถาสุดท้ายนะค่ะจากคุณชนะตนชนะการนั่งสมาธิแล้วสงบเร็วแต่ไม่นานต้องฝึกอะไรเพิ่มใหม่คะก็ฝึกสติเพิ่มมากขึ้นสติเรายัางไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่มีกาลังมากพอ ถ้ามีกำลังมากจะนั่งได้ทีละครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งขึ้นไปถ้าอย่ า, ง, ายงนั่งไม่ได้นานก็ฝึกเวลาไม่ได้อยู่นั่งสมาธิก็ฝึกสติต่อไปให้คอยควบคุมความคิดให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แล้วต่อไปเวลานั่งมันจะนั่งได้นานได้สงบได้เร็วด้วยอาแลาวนะวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนาเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพิพิจาณาไปปฏิบัติ